9. รัตนวัรคามวิการะคามะประเวสนาศิขาบทว่าด้วยการเข้าหมู่บ้านในเวลาวิการเรื่องพระชับขี508สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกพิสุทธิฉับีเข้าหมู่บ้านในเวลาวิการ นั่งในที่ชุมนุมสนทนาดิรชนกถาต่างๆคือวงเล็บหนึ่งราชากถาเรื่องพระราชาวงเล็บสองโจรกถาเรื่องโจรวงเล็บสมหามัตตากถาเรื่องมหาอมาตย์วงเล็บสี่เสนากถาเรื่องกองทัพวงเล็บ5พยากถาเรื่องภัยวงเล็บ6ยุทธกถาเรื่องการรบวงเล็บ7 นักรถาเรื่องข้าววงเล็บ8ปานักถาเรื่องน้ำวงเล็บ9วัฏทกถาเรื่องผ้าวงเล็บ10บเสยณะกถาเรื่องที่นอนวงเล็บ11มาลากถาเรื่องพวงดอกไม้วงเล็บ12คันทะกถาเรื่องของหอมวงเล็บ13ญาติกถาเรื่องญาติวงเล็บ14ญาณกถาเรื่องยาน วงเล็บ15บาคามะกถาเรื่องบ้านวงเล็บ16นิคมะกะถาเรื่องนิคมวงเล็บ17นคระกะถาเรื่องเมืองวงเล็บ18ชนะปะทะกถาเรื่องชนบทวงเล็บ19อิทีกะถาเรื่องสตรีวงเล็บ20วงเล็บ20บุริสกะถาเรื่องบุรุษวงเล็บ21สูรกะถาเรื่องคนกล้าหาญวงเล็บ22วิสวิสิขากะถาเรื่องตรอก วงเล็บ23กลุ่มพัฒนานกถาเรื่องท่าน้ําวงเล็บ24ปุเพเปตะคาถาเรื่องคนที่ล่วงรับไปแล้ววงเล็บ25้านานัตตะคาถาเรื่องเบ็ดเล็ดวงเล็บ26โล ก, กขายิกะเรื่องโลกวงเล็บ27สมุททะขายิกะเรื่องทะเลวงเล็บ28ดอิติภาวาภวะกาถาเรื่องความเจริญและความเสื่อม คนทั้งหลายพากันตําหนิพระนามโลนทนาว่าฉนัยพระสมณะเชื้อสายสกยตบุตรจึงเข้าหมู่บ้านในเวลาพิการนั่งในที่ชุมนุมสนทนาดิรฉันกาถาต่างๆคือวงเล็บหนึ่งราชกถาเรื่องพระราชาวงเล็บสองจรกถาเรื่องโจรวงเล็บสมหามัตตกรถาเรื่องมหาอามาตย์วงเล็บสเซนากถาเรื่องกองทัพวงเล็บห้าพยากรถาเรื่องภัยวงเล็บหยุทธกถา เรื่องการรบวงเล็บอันณกรถาเรื่องข้าววงเล็บปานกถาเรื่องน้ำวงเล็บเวัฏกรถาเรื่องผ้าวงเล็บสิบสยนากถาเรื่องที่นอนวงเล็บสิมาลากถาเรื่องพวงดอกไม้วงเล็บสิคันทกถาเรื่องของหอมวงเล็บสิบายาติกกถาเรื่องญาติวงเล็บสิบยานากรถาเรื่องยานวงเล็บาคามกถาเรื่องหมู่บ้านวงเล็บ นิคมากะถาเรื่องนิคมวงเล็บสบเจดนครากถาเรื่องเมืองวงเล็บสบปดชนะปทะกะถาเรื่องช น, นบทวงเล็บสิบเก้าอิทีกะถาเรื่องสตรีวงเล็บยี่สิบปุริสากถาเรื่องบุรุษวงเล็บสบเอ็ดสุรกถาเรื่องคนกล้าหาญวงเล็บบสองวิสิกขากะถาเรื่องตรอกวงเล็บยิบสามกุมพัดถานากะถาเรื่องท่านา้ำวงเล็บยิบสี่ปุพพะเปตะกะถาเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้ว วงเล็บยีนานัตตะกะถาเรื่องเบตเลิดวงเล็บ26โลกะขาญิกะเรื่องการคาดเกี่ยวกับโลกวงเล็บ27สมุตทักขายกิกะเรื่องการคาดเด า, าดเกี่ยวกับทะเลวงเล็บยีปอิติภาวาภวะกะถาเรื่องความเจริญและความเสื่อมเหมือนพวกเครหัดที่ยังบริโภคการเล่าภิกษุทั้งหลายได้ยินชาวบ้านตนําหนีประนามพลทนาบรรดาภิกษุผู้มากน้อย พากันตําหนิประนามโพรธนาว่าชนายพวกภิกษุชาพัปปีจึงเข้าหมู่บ้านเวลาวิการนั่งในที่ชุมนุมสนทนาดิรชนกรถาต่างๆคือเรื่องพระราชาเรื่องความเจริญและความเสื่อมเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตําหนิพวกภิกษุชาพัขีโดยประการต่างๆแล้วจึงนําเรื่องนี้ไปกล่าบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ